มีมาตัวหนึ่งนะพอได้เวลาอาหารมันก็มานั่งรอตรงที่ประจำตำแหน่งนะก็คือลานหน้าบ้านใกล้กับตัวรัว้วพอถึงเวลาเจ้าของก็เอาอาหารนะมาใส่ถาดของหมาตัวนี้พอวางเสร็จ น, นะหมาก็ค่อยๆเดินไปที่ถาด น, นั้นเกือบจะถึงละ บอกว่าหมาตัวนี้ช่งนักเพราะว่าเหลือไปเห็นแมวลูกแมวผอมโซเลยไม่รู้มาจากไหนผอมมากๆแมวตัวนี้เนี่ยคงหิวมากนะเพราะว่าทั้งที่มีหมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันไม่สนใจเลยมันก็เดินตรงไปที่ถาดนั่นแหละบอกว่าหมาตัวนั้นเนี่ยพอเห็นแมวตัวนี้ เดินตรงมาที่ฐานนี้ถอยเลยนะถอยเลยไม่ใช่ถอยเพราะกลัวนะเพราะว่าถ้าพูดถึงกำลังแล้วเนี่ยแมวตัวนี้ไม่มีทางสู้หมาเจ้าของบ้านได้เลยมันถอยเพราะอะไรคงเพราะสงสารนะก็นั่งรอให้แมวเนี่ยกินอาหารของมันจนอิ่มเลยระหว่างที่นั่งรอนี่ หมาเนี่ยเจ้าของอาหารเนี่ยมันก็ทำท่ามันก็จะหิวนะเพราะว่ามันก็เลียปากอยู่นั่นแหละน้ำลายคงไหลนะแต่ว่ามันก็สะกดกั้นความอยากเพราะว่าเห็นแก่แมวตัวนี้เรามักจะพูดกันว่าเนี่ยสัตว์เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยกฎอย่างงที่เรากดป่านะคือใครมีแรงใครมีกำลังก็ชนะ แต่ว่ากฎนี้มาใช้กับกรณีนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าหมาเนี่ยนะตัวใหญ่แข็งแรงแต่แมวตัวเล็กผอมโซโแต่แทนที่หมาจะใช้กำลังเพื่อเอาชนะแมวตัวนี้เพื่อจะได้ครอบครองอาหารตัวัปล่อยนะให้แมวนี่กินหารของมันไปเรื่อยๆเจ้าของเห็นก็ทราบซึ้งมาก แล้วก็มันคงไม่ใช่เจ้าของอย่างเดียวนะคใครก็ตามที่เห็นภาพนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้ก็คงจะซาบซึ้งนะแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้สุขที่เห็นแมวผอมโซได้กินอาหารประทังชีวิตแล้วก็สุขที่ได้เห็นหมาตัวนี้มีน้ำใจนะมีเมตตากรุณาซึ่งบางทีคนนี่ก็ยังเทียบไม่ได้นะเพราะคนเวลาหิวหิวนี่นะ ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นก็เหมือนกับแมวตัวผอมเนี่ยนะพอหิวแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะหมาเหมือไม่สนใจยังจะไปกินหายอย่างเดียวแต่ว่าหมานี่เขาแม้จะหิวแต่เขาก็ยอมนี่คลิปหนึ่งนะก็มีพ่อค้าเนี่ยขายปลาเป็นแผงลอยนะคนก็มาซื้อปลา มีแมวตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆนะมันก็สังเกตเห็นนะเวลาคนจะมาเอาปลาก็จะยืนนย่นธนบัตรพอยื่นธนบัตรเจ้าพ่อค้าก็จะหยิบปลาให้ห่อปลาใส่ยื่นมือให้กับลูกค้าแมวเห็นเนี่ยอยากได้ปลามันทำยังไงนะมันก็ไปคาบใบไม้มา แล้วก็เดินตรงมาที่แผงแล้วก็ยืนหน้านให้กับพ่อค้าก็ไม่รู้นะว่าแมวตัวนี้เนี่ยเป็นแมวของพ่อค้าหรือเปล่าแต่ว่าการที่มันยืน่นการที่มันคาบใบไม้มาเนี่ยแสดงว่ามันอยากได้ปลาของพ่อค้านั้น ธรรมดาแมวเนี่ยเวลาอยากกินปลานะมันก็ใช้วิธีไหนวิธีหนึ่งใน2วิธีเนี่ยคือไปเอาดือด้อเลยหรือว่าขโมยหรือไม่เช่นนั้นก็ร้องขอร้องขอจากคนแต่แมวตัวนี้นี่ไม่ทำทั้งสองอย่างนะไม่ต้องการขโมยแล้วก็ไม่ต้องการร้องขอแต่ว่า ต้องการแลกเปลี่ยนืเห็นคนเนี่ยเอาธนาบัตรมายื่นให้มันคงไม่รู้นะว่าธนาบัตรคืออะไรก็คิงเพื่อเป็นกระดาษมันคิดว่าเนี่ยการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะสําเร็จได้นะถ้ามันไปคาบใบไม้มาให้พ่อค้าโอ้พ่อค้าก็เอ็นดูนะให้ปลาไปเลยนะแล้วพอแมวได้ปลาเนะี่มันไม่ได้เอาไปไหนนะมันคาบปลาไปให้ลูกของมัน ก็เป็นแมวที่แสนรู้มากแล้วก็มีมารยาท น, นะแล้วก็มีศักดิ์ศรีด้วยนะฉันไม่ขโมยฉันไม่ขอแต่ว่าฉันแลกเปลี่ยนนะก็แลกเปลี่ยนตามภาษาแมวนะไอ้คนเรานี่ถ้าเกิดว่ามีสํานึกนแบบนี้ก็เข้าท่านะคืออยากได้อะไรก็ไม่ไม่ขโมยจะขอก็กระไรอยู่ อาจจะแลกเปลี่ยนโดยการเอาทำงานแรกทำงานแรกอาหารแรกที่พักแล้วมีคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปที่อยู่กลางทะเลนะจูจูเนี่ยปลาวาหลังคอมเนี่ยมันโผอ่ขึ้นมาจากกลางน้าขวางเรื อ, อไว้เป็นเรือประมงคนก็แปลกใจเนมันมาขวางเรือทำไมปกติปลาพวกนี้เนี่ยมันหนี มันแบบว่าหนีเรือนะแต่นี่ขวางไว้เลยทําท่ามันก็ยืนนะยืนอยู่กลางทะเลปากหัวเนี่ยขวางขวางเรือไว้แล้วมันส่งเสียงร้องคนก็เลยรู้ว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดสังเกตรหรือผิดปกติแล้วก็ดา ว, ว่าคงต้องการขอความช่วยเหลือก็เลยมีชาวประมงคนหนึ่งนะแต่งชุดนะดำน้ำํำนะลงทะเลไปเลยนะ ปลาวานตัวนั้นก็นำเลยนะคนก็ไหว้ตามไปได้สักสองสามร้อยเมตรก็ไปเจอปลาวานตัวหนึ่งตัวใหญ่มันติดแหติดอวนเดี๋ยวนี้เจอเยอะนะเจอกันเยอะนะเป็นกันเยอะนะติดแหติดอวนแล้วมันก็ร้องขอความช่วยเหลือด้วยเพราะถ้าว่าติดแบบนี้นานา น, า น, นี่มันมันตายนะ คนนึ่งก็เลยรู้ว่าสงสัยเนี่ยไอ้ประวาลหลังค่อมที่ไปขวางเรือเขาไว้เนี่ยเป็นลูกนะไม่รู้จะช่วยแม่ยังไงก็เลยขอความช่วยเหลือจากคนมันก็แสนรู้นะเพราะรู้ว่ามีแต่คนที่จะช่วยได้และในยามนี้ต้องยอมเสี่ยงนะเพราะว่ามันก็คงกลัวคนนะแต่เพื่อแม่และบัเงเอินได้คนที่มีน้ำใจนะ มนุษย์กบนั้นก็จัดการนะตัดแหาตัดอวนซึ่งก็เสียงนะเพราะว่าปลาเนี่ยมันก็คงกลัวคนเหมือนกันไม่อยากคนเข้าใกล้แต่มาล่วนในกรณีนี้คนคงมาช่วยมันก็ยอมนะคนก็ตัดแหาตัดอวนจนขาดปลาวานก็ปลอดภัยไอ้สามเรื่องนี้เนี่ยนะ ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราก็เกิดความสุขนะแต่ว่าถ้าพิจารณาใดีนมันยังสอนธรรมะให้กับเรานะสอนธรรมให้กับเรานถ้าเรารู้จังมองเห็นธ ร, รมะจากเรื่องราวเหล่านี้นี่มันก็จะเพิ่มพูนปัญญานะมันไม่ใช่เพียงแต่บำรุงใจของเราเดียวมันมันช่วยทาให้ปัญญาของเรางอกงามด้วยเพราะทาให้เราเนี่ย รู้จักนะถอดธรรมะจากเหตุการณ์จากบทเรียนสัตว์นี่ก็สอนธรรมะให้กับเราได้นะไม่ใช่ว่าธรรมะนี่จะต้องสอนโดยพระหรือว่าจากการอ่านพระไตรปิฎกสัตว์เดราชาเนี่ยมันก็สอนธรรมะกับเราได้โดยเพราะคุณธรรมนะและบางทีก็สอนสัจธรรมด้วยนะสัจธรรมจากต้นไม้คุณธรรมจากสัตว์เหล่านี้เนี่ย นะถ้าเรารู้จักมองก็เป็นประโยชน์แล้วก็ควรด้วยนะเพราะว่าธรรมมาเนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่ในวัดนะหรือว่าจะต้องออกมาจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อบางทีสัตวนี่เา ก, ก, ก็สอนธรรมไม้กับเราได้อย่างในสายวิทการนี่มีภิกษุธีรุ่มหนึ่งนะทำความเพียรจนท้อจะเลิกแล้วนะไปเหลือเห็นช้างเนี่ยมันตกลม่มมันตกล่มเนี่ยมัน ไม่ยอมนะมันก็พยายามขึ้นจากลมให้ได้ยังไงยังไงก็แม้ไม่สําเร็จก็ไม่ยอมแพ้พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาเป็นวันนะพิษุนีท่า น, น, นเห็นช้างตัวนี้แล้วก็นะได้ข้อคิดกติธรรมนะว่าขนาดสัตว์เนี่ยนะมันยังไม่ทิ้งความเพียรเลยแล้เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริญนี่จะยอมพ่ายแพ้อุปสรรคได้ยังไงท่านก็เลย เกิดความเพียรฮึดสู้นะจนทั้งได้บรรลุนะอรหัตผลนะอันนี้ก็เรียกว่าบรรลุทำได้ก็เพราะสัตว์นะสัตว์เ้าสอนทำใหเวลาเราดูเรื่องราวของสัตว์เหล่านี้แล้วเนี่ยนอกจากจะมีความสุขซาบซึ้งใจเพลิดเพลินในกิริยาอาการของสัตว์แล้วเนี่ยยิ่งอีอย่างที่เราควรจะได้คือธรรมะนะจากสัตว์เหล่านี้ อันนี้มันจะช่วยบำรุงใจนะไม่ใช่แค่จัดลงอารมณ์อย่างเดียวช่วยบำรุงปัญญานะไม่ใช่แค่จัดลงใจอย่างเดียว